เมื่อคราวที่แล้วเราได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะกำลังแสดงธรรมโปรดมัตยะเศรษฐีขี้โลภผู้มีคติประจำใจว่าทุกขณะทุกเวลาต้องสแสวงหามาให้ตนให้ได้มากๆคำว่าเสสละนั้นไม่มีเลยในหัวใจของเขาและเศรษฐีผู้นี้ก็มีความรังเกียจนักบวชมากเพราะนักบวชเป็นเหตุให้เขาต้องเสรั์ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ในบทนี้ค่ะอุบาสกก็เมื่อเป็นเช่นนี้อัตมาจึงเห็นว่าซัพย์80โกดไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการอย่างรีบด่วนคือความสุขความสบายใจไม่มีกังวลใจ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 เอาทั้งสองอย่างก็ได้อุบาสุกแต่ก่อนอื่นท่านจะต้องเอาความสุขก่อนเมื่อใดท่านมีความสุขแล้วท่านจะเอาทรัพย์สักกี่สิบกี่ร้อยโกดก็ได้ท่านจะตกลงเอาความสุขหรือไม่เล่าตกลงท่านสมณนะข้าพเจ้าจะเอาความสุขก่อนแล้วเอาทรัพย์แปดสิบโกดภายหลังขอนิมนต์ท่านทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขด้วยเอาละอาตมาจะทําให้ท่านมีความสุขเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่น อาตมาอยากจะถามปัญหาท่านสักข้อสองข้อก่อนขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงอาตมารับรองว่าท่านจะมีความสุขแน่ๆในวันนี้ท่านจะสบายใจปลอดโปร่งใจเบาใจเหมือนมีผู้มายกภูเขาออกไปจากอกท่านจะบริโภคอาหารได้และนอนหลับดีภายในวันนี้ท่านหมดศัตรูในวันนี้บรรดาพวกทาทกรรมกรทั้งหลายที่มุ่งร้ายต่อท่าน จะกลับกลายมาเป็นมิตรรักใคร่เคารพนับถือท่านในวันนี้รีบๆทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างนั้นด้วยเถิดท่านสมณนะข้าพเจ้ากระหายอยากจะมีความสุขอย่างนั้นเต็มทีแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนอุบาสกพระเถระปลอบท่านจะมีความสุขแน่ๆเอาละ่ะอาตมาจะถามปัญหาข้อแรกการที่ท่านต้องการทรัพย์สมบัติมากๆนี้ท่านเอามาไว้เพื่ออะไรอ้าว ก็เอามาบริโภคใช้สอยละสิท่านสมณะท่านตอบถูกต้องตามความเป็นจริงทีเดียวอุบาสกการที่ท่านมีอาหารเครื่องบริโภคมากๆนี้หมายความว่าท่านมีปากใหญ่เป็นพิเศษมีลำคอใหญ่เป็นพิเศษมีท้องใหญ่เป็นพิเศษบริโภคอาหารได้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นกระนั้นหรือหาไม่ได้เลยท่านสมณะท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดามีปากคอและท้อง เหมือนคนธรรมดาทั่วไปบริโภคอาหารได้เท่าๆกับคนอื่นหรืออาจจะน้อยกว่าคนอื่นเสียอีกอุบาสกก็เมื่อท่านมีอัยวะทุกส่วนเหมือนคนทั่วไปและบริโภคอาหารได้เท่ากับคนทั่วไปเช่นนี้อะไรเล่าทำให้ท่านแตกต่างจากคนอื่นๆอะไรเล่าทำให้ท่านสแสวงหาทรัพย์ด้วยความยากลำบากสะสมทรัพย์ไว้มากมายเกินความต้องการของปากและท้อง เปรียบเสมือนมดน้อยตัวเดียวไปเที่ยวขนมเมล็ดข้าวสารมากองไว้เป็นกองใหญ่ทั้งๆ ท, ที่ตัวมันเองกินเพียงมเมล็ดเดียวสองมเมล็ดก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับความลำบากในการคุ้มครองรักษากองข้าวสารนั้นแทบตายเกรงจะถูกมดตัวอื่นมาแย่งจริงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเพราะเหตุไรอุบาสกเมื่อเห็นมนธยพราไม่ตอบพระเถระได้กล่าวต่อไปว่า อุบาสกเอ้ยความโลภตัวเดียวเท่านั้นทำให้คนเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินความต้องการของธรรมชาติความโลภคือนายอันธารุลคอยบีบบังคับให้คนวิ่งวุ่นหาทรัพย์มาสะสมไว้มากมายความโลภจะบีบบังคับให้เขาวิตกกังวลกลัวว่าทรัพย์จะสูญหายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งๆ ท, ที่มีทรัพย์มากแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์ และความสุขจากทรัพย์คุ้มค่าในที่สุดก็ตายไปด้วยความทุกข์ทิ้งกองทรัพย์มหาศาลไว้เบื้องบนเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปโดยที่ตัวเองนําติดตัวไปด้วยไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียวดูก่อนอุบาสกถ้าสมมุติว่าท่านตกเป็นทาสของนายผู้ทารุนคนหนึ่งซึ่ ง, งบังคับให้ท่านทำงานอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหายใจเมื่อทางานเสร็จแล้ว ก็แบ่งอาหารให้ท่านบริโภคเพียงเล็กน้อยอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอาตมาอยากจะถามว่าท่านจะมีความรักความเคารพความซื่อสัตย์ต่อ น, นายผู้ทารุณนั้นหรือไม่ท่านจะยินดีรับใช้เขาตลอดไปหรือไม่ท่านสมณะข้าพเจ้าจะไม่มีความเคารพรักในนายเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าจะไม่ยินดีรับใช้เขาตลอดไปถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าอาจจะฆ่าเขาเสียก็ได้ หรืออาจจะหนีไปเสียก็ได้ถูกแล้วอุบาสกคนฉลาดมีปัญญาย่อมจะกระทำเช่นนั้นคนโง่เขลาเบาปัญญาและขี้ขลาดเท่านั้นจึงจะยอมอยู่รับใช้นายผู้ทารุณเช่นนั้นไปตลอดชาติก็มือความโลภเป็นนายผู้ทารุณบังคับให้ท่านทํางานหนักได้รับความทุกข์เห็นป่านนี้เหตุไฉนท่านจึงยินดีรับใช้เขาด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตเล่า ทำไมท่านยึงไม่กำจัดความโลภนั้นเสียเมื่อพระเถระพูดมาถึงตอนนี้เหตุผลก็เริ่มฉายแสงสว่างขึ้นในจิตใจของเขาเป็นครั้งแรกทำให้เขาเห็นว่าความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เขาได้รับอยู่นั้นเกิดมาจากความโลภของเขานนั่นเองแต่แนวความสอนแบบนี้ก็ยังใหม่เกินไปสำหรับเขาที่จะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งทั่วถึงเขาจึงถามพระเถระ ด้วยเสียงอ่อยๆว่าท่านสมณะทำอย่างไรเล่าข้าพเจ้าจึงจะสามารถเอาชนะความโลภได้ดูก่อนอุบาสกการที่จะเอาชนะความโลภได้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยก่อนอื่นท่านต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้แจงประจักษ์ใจเสียก่อนว่าความโลภเป็นนายผู้ทารุนจริงท่านต้องเบื่อหน่ายต่อการตกเป็นทาสของมันจริงและต้องตัดสินใจ ที่จะเปลืองตนให้พ้นจากแอกอันหนักหน่วงของมันจริงเมื่อท่านตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าการที่ความโลภมีพลังมหาศาลบีบบังคับท่านอยู่ได้เพราะท่านยอมตนเป็นทาสของมันบำรุงเลี้ยงมันด้วยความซื่อสัตว์วิธีที่จะกำจัดมันง่ายนิดเดียวคือหยุดให้อาหารมันเสียอย่าเลี้ยงมันอีกต่อไปหมายความว่า เมื่อท่านเกิดความต้องการอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นแก่ชีวิตอย่างยิ่งยวดขอให้พยายามระงับความอยากนั้นเสียการระงับความอยากนี้ก็ทําได้ยากมากเพราะความอยากมันมีกําลังเมื่อท่านระงับมันมันจะต่อสู้ดิ้มรนจนสุดความสามารถตอนนี้เป็นวาระอันสําคัญยิ่งถ้าท่านยอมพ่ายแพ้แก่มันท่านจะตกเป็นทาสของมันอีกและมีหวัง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 ท่านจะมีความสงบสุขอยู่ได้อย่างไรเมื่อชีวิตของท่านไร้อิสรภาพและความสุขชีวิตจะมีความหมายอะไรท่านสมณะเทศนาของท่านมีเหตุผลฟังจับใจดีเหลือเกินข้าพเจ้าหลงผิดมานานคิดว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติมากๆคงจะมีความสุขข้าพเจ้าจึงพยายามสะสมทรัพย์มาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งล่ํารวยเห็นป่านนี้ แต่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขดังคาดหมายกลับได้รับทุกข์มากขึ้นเพราะไม่ทราบว่าตนกําลังตกเป็นทาสของนายคือความโรคผู้ถาลุนบัตนี้ข้าพเจ้าทราบความจริงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้ามีอยู่เวลานี้ก็มากเพียงพอที่จะเลี้ยงคนร้อยครอบครัวไปได้อีกเป็นเวลาตั้งร้อยปีข้าพเจ้าพอแล้ว พอกันทีสําหรับการรับใช้นายผู้ทาดุนข้าพเจ้าเคยภูมิใจว่าตนเป็นนายควบคุมทาตจํานวนร้อยไว้ในอํานาจแต่ที่ไหนได้ข้าพเจ้าเองกลับตกเป็นทาตนายผู้ทาดุนยิ่งกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวอุบาสกคิดถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอาตมาขออนุโมทนาต่อแต่นี้ไปท่านจะมีแต่ความสุขเป็นสุขอันปราณีตเ ย, ยือกเย็น ซึ่งทรัพย์ภายนอกใดๆไม่สามารถจะให้แก่ท่านได้แต่ท่านสมณะเกี่ยวกับศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าเล่าข้าพเจ้าจะทําอย่างไรจึงจะทําให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรได้ง่ายนิดเดียวอุบาสกท่านก็พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านมีทรัพย์สมบัติมากพอสําหรับคนตั้งร้อยครอบครัวกินได้เป็นเวลาตั้งร้อยปีถ้าท่านยังคงแบกทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ท่านจะเป็นทุกข์ ในการคุ้มครองรักษาถ้าท่านอยากมีมิตรขอให้ท่านสละทรัพย์ส่วนที่ท่านยึดมาจากกองคนอื่นคืนให้เจ้าของเดิมเขาเสียให้หมดแล้วก็ขอโทษเขาเหลือไว้เฉพาะที่เป็นส่วนของท่านท่านก็จะได้มิตรภายในทันทีมัติยพราหมณ์นั่งตึกตองอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสมณนะคำแนะนำของท่านน่าฟังมากข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม เย็นวันนั้นเองการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเพราะวะคามมังติยพรามได้สั่งให้มีการประชุมทาทของเขาทั้งหมดที่ลานหน้าคฤหาสน์แล้วประกาศปลดปล่อยเขาเป็นอิสระพร้อมทั้งยกที่บ้านที่นาที่ตนยึดเอามาหรือซื้อเอามาคืนให้ด้วยที่แรกไม่มีทาทคนใดเชื่อว่าเป็นความจริงต่อเมื่อพระเถระประกาศสนับสนุนอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนจึงกระโดดโลดเต้นเปร่งเสียงไชยโยโห่ร้องด้วยความดีใจหลายคนตรงเข้าไปจับมันติยพราห์ขึ้นแบกบนบ่าแล้วก็หามแหกไปรอบๆ บ, บริเวณด้วยความปลื้มปิติหลังจากนั้นชาวบ้านเพระวะคามที่ไปเป็นโจรอยู่ในป่า ก, ก็ดีที่อพยพไปอยู่ที่อื่นก็ดีต่างทยอยกันกลับคืนสู่บ้านเดิมของตนและได้ทรัพย์สินของตน ขึ้นมาจากมันตียพราหมณ์ทั่วหน้าพระเถระได้จากหมู่บ้านเพระวะคามไปด้วยความปิติยินดียิ่ ง, ง เ, เ, ง เ, งงเงมื่อเดินทางจากหมู่บ้านเพระวะคามมาได้สามวัน พระเถละก็เดินทางมาพบพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่ซึ่งกําลังตั้งค่ายพักอยู่ริมหนองน้ํากลางทุ่งนาอันกว้างขวางขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วถ้าจะเดินทางต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะพบหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่พระเถระจึงตัดสินใจจะพักค้างคืนอยู่ใกล้ๆกับกองเกวียนนี้วันลงขึ้นจะได้อาศัยบินทบาทจากพ่อค้าเกวียนก่อนจะเดินทางต่อไปพระเถระ ไปปักกรดข้างๆพุ่มไม้ใกล้ๆฝั่งแม่น้ำในระยะไม่ไกลจากกองเกรียนนักพอมองเห็นกันได้ถนัดลงอาบน้ำชำระกายในหนองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ขึ้นมานั่งพักพรออยู่ในกรดขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับแนวป่าชายทุ่งด้านตะวันตกพระเถระก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีกับชายหนุ่มอายุประมาณ20ปีอีกคนหนึ่ง เดินตรงมาที่ท่านเมื่อมาถึงชายทั้งสองก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วชายคนแก่ก็ถามขึ้นว่าท่านอาาคาริกท่านเป็นพิษุในพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสก พ, พระเถระตอบด้วยอาการสงบท่านเดินทางมาจากไหนท่านสมณนะอตมาตเดินทางมาจากกรุงราชฤท์นครหลวงของมคตรัฐพระเถระสังเกตเห็นว่า คำตอบของท่านทําให้ชายทั้งสองเกิดความตื่นเต้นประหลาดใจไม่น้อยเขาหันไปมองดูหน้ากันแล้วก็อุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่ากรุ่งราชยครื้ปฏิกริยาอันประหลาดของเขาทําให้พระเถระรู้สึกสงสัยบ้างถ้าอย่างนั้นท่านก็คงจะรู้จักพระเรวตะเถระประธานสง์แห่งเวรุวรรณารามนะสิชายแก่ถามขึ้นด้วยท่าทางอันตื่นเต้นรู้จัก พเถละตอบงงๆดีมากท่านสมณะชายแก่พูดอย่างพอใจแล้วก็นั่งราบลงกับพื้นดินถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอสนทนากับท่านนานหน่อยท่านอยากจะสนทนาอะไรก็เชิญตามสบายเลยอุบาสกอัตมายินดีจะสนทนาด้วยเรื่องอันเป็นสาระกับท่านเสมอเขาเล่าลือกันว่าพระเลวะตะเก่งกาดนักลรืเก่งกาดทางไหน พระเถระย้อนถามอย่างงงๆก็เก่งกาจทางโต้ขาลมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าบรรดาศาสด า, าเจ้าละทิต่ต่างๆในเมืองราชเถกฤถูกพระเถระเรวะตะปราบเหจนลาบขาาไปตำตามกันจนไม่มีใครกล้าจะปราบขาลมด้วยจริงหรือไม่ล่ะท่านสมณนะอัตามาก็ทราบมาอย่างนั้นพระเถระตอบอย่างอ้อมๆพระเลวตะเถระมีอายุประมาณเท่าไหร่ท่านสมณนะ ชายแก่ถามอาตมาคิดว่าคงไม่เกินสี่สิบปีแต่ดูท่าทางท่านยังหนุ่มแน่นอยู่มากรู้สึกว่าท่านมีความสนใจในพระเรวตะเป็นพิเศษท่านมีธุระอะไรจะทำกับท่านหรืออุบาสกมีสิท่านสมณะมีโดยตรงทีเดียวเรากำลังจะเดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อจะจัดการกับพระพิสุรูปนี้ คำพูดประโยคสุดท้ายของชายแก่ทําให้พระเถระสงสัยยิ่งขึ้นท่านได้ถามเพื่อทราบความจริงต่อไปว่าทําไมท่านจะต้องไปจัดการกับท่านเล่าอุบาสกท่านมีเรื่องอะไรกับพิสุรูปนั้นหรือไม่มีโดยตรงหรอกท่านสมณะแต่พักพวกของข้าพเจ้ามีเมื่อเร็เวๆนี้มีนิครคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงราชฤุลแจ้งให้เราทราบว่าพวกนิครได้ประสบความปลาชัย อย่างยับเยินแก่พระเรวัตะนำความอับอายและความเสื่อมเสียมาสู่พวกเราอย่างมากพวกเราที่อยู่กรุงาจจราชคฤห์รู้สึกช้ำใจมากและพยายามคิดหาอุบายที่จะกำจัดพระเรวัตเสียแต่ก็ยังมองไม่เห็นอุบายที่เหมาะสมการที่จะรอบทำลายเขาด้วยอาวุธให้ตายคงทำไม่ได้แน่เพราะผิดหลักอหิงสาในศาสนาของเราวิธีเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือ ทำให้เขาลาสีขาบทออกไปเป็นคารวาเซียเพราะเท่าที่ขาปเจา้าทราบดูเหมือนเขายังเป็นพิสุปุตุชนยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่พระเถระนั่งฟังนโยบายของชายคนนั้นด้วยความสนใจยิ่งและนึกสงสัยอยู่ในใจว่าทําไมเขาจึงกล้าเปิดเผยความรับให้พระพิษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นฝักฝ่ายเดียวกันกันกบพระเลวตะฟังอย่างไม่อำพรางเช่นนั้นบางทีเขาอาจจะแน่ใจว่าพระพิสุพนิจรรูปเดียวที่พบกลางทุ่งนาห่างจากกรุงราชฤกษ์กมากมายเช่นนั้นคงทำอะไรไม่ได้กระมังเท่าที่อาตมาทราบดูเหมือนท่านยังเป็นปุถุชนพระเถระเสริมเพื่อเราให้เขาเปิดเผยความลับอื่นๆต่อไปแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีใจหนักแน่น มั่นคงมากนะอุบาสกท่านจะจัดการอย่างไรกับท่านถึงจะหนักแน่น ม, มั่นคงเพียงใดท่านก็ต้องลาสิกขาในคราวนี้ชายแก่พูดอย่างมั่นใจเพราะเรามีวิธีการอันแยบยลที่สุดท่านจะใช้สตรีสาวสวยไปล่าให้ท่านลาสิกขาใช่ไหมล่ะพระเถระกล่าวดักคอยิ้มยิ้มทำให้ชายทั้งสองถึงกับจังรักกันไปทีเดียว แต่แล้วเขาก็ยอมรับอย่างอ่านหารว่าใช่แล้วท่านสมณะและไม่ใช่สตรีธรรมดาสามัญแต่เป็นสตรีพิเศษที่มีความหมายพิเศษสำหรับพระเรวตะข้าพเจ้าได้ศึกษาประวัติของเขาอย่างละเอียดและรู้จุดอ่อนของเขาแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่างานของเราจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนสตรีพิเศษที่ท่านว่านั้นท่านหมายถึงอะไรหมายถึงใคร พระเถระถามด้วยความสนใจยิ่งก็รัตนปาณียังไงล่ะท่านสมนะณะรัตนปาณีทิดาสาวสวยแห่งเมติยาเศรษฐีกลุ่มพราณาสีเขากล่าวอย่างภาคภูมิใจคำพูดของชายแก่ทําให้พระเถระมุนงงยิ่งขึ้นเพราะท่านมองไม่เห็นเลยว่าลูกสาวเศรษฐีกรุ่มพราณ า, าศีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างไรเพื่อรวงเอาความจริง พระเถระจึงพูดว่าเท่าที่อาตมาทราบ พ, พระเรวตะยังไม่เคยไปเมืองพรารานสีเลยท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัตนาปาณีได้อย่างไรอุบาสกท่านสมณะท่านคงยังไม่รู้เรื่องส่วนตัวของพระเรวะตะและรัตนาปานีท่านจึงมองไม่เห็นว่าคนทั้งสองจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบไว้ประดับความรู้ก็ได้ คือเมื่อพระเลวตะไปถึงเมืองราชครื้ใหม่ๆท่านมีจิตใจปฏิพัติผูกพันอยู่กับนางภิกษุณีชื่อลีลาวดีที่ดาเสษฐีเมืองสาวัตถีลีลาวดีรักเขามากถึงกับทิ้งบ้านช่องดันดนไปจนพบเขาที่กรุงราชคฤื้แต่เก้อร้ายเมื่อไปถึงกรุงราชครื้ไม่นานนางก็ถึงแก่มรณกรรมยังความเศร้าโศกให้เกิดแก่พระเรวตะไม่น้อยแม้ทุกวันนี้พระเรวตะ ก็ยังไม่ลืมลีลาวดีของเขาพระเถระรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ชายแก่คนนี้รู้เรื่องของท่านดีให้กับได้เห็นมาเองทําไมท่านจึงได้รู้เรื่องส่วนตัวของพระเรวัตะดีเลิศเกินพระเถระถามชายแก่หัวเราะอย่างภาคภูมิใจและตอบว่านี่คนคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังและข้าพเจ้าเองก็มีส่วนได้รู้จักรัตนปาณีเองด้วยทําไม รัตนาปาณีจึงรู้เรื่องของพระเถระพระเถระถามด้วยความสงสัยทำไมจะไม่รู้จักเล่าท่านสมณะก็เมือรัตนาปาณีก็คือลีลาวดีนั่นเองพอได้ยินคำนั้นพระเถระรู้สึกงุนงงศรีรษะหมุนติว้วคล้ายจะเป็นลมท่านได้ยกมือขึ้นกุมศรีรษะอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหน้ามองไปทางอื่นท่านเป็นอะไรไปหรือท่านสมณะชายแก่ถาม ท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าใช่ไหมว่าเรื่องนี้เป็นจริงเล่าไปให้จบเถิดอุบาสกเมื่อฟังเรื่องของท่านจบแล้วบางทีอาตมาอาจจะเชื่อก็ได้เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ชายแก่เริ่มเล่าต่อเมื่อเมติยะเศรษฐีได้ทิดาคนนี้ ท่านก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างพอโตขึ้นอายุประมาณสองขวบเธอก็บอกให้ทุกคนเรียกเธอว่าลีลาวดีไม่ชอบใจเมื่อมีคนมาเรียกว่ารัตนปาณีพออายุได้ประมาณสามขวบเธอก็รบเร้าให้มานดาบิดาพาไปกรุงสาวัตถีอ้างว่ามานดาของเธออยู่เมืองสาวัตถีในที่สุดเมื่อทนการรบเร้าของทิดาไม่ได้ มเมติยเสถีก็พาไปกรุงสาวัตถีเธอก็ได้พบกับมารดาในชาติก่อนจําบ้านช่องห้องทับและญาติพี่น้องได้อย่างถูกต้องที่นี่มารดาเก่ากับมารดาบิดาใหม่ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของเด็กน้อยมารดาเก่าก็ยืนยันว่าจะเป็นของตนจะไม่ยอมให้ไปอยู่เมืองพระารสีฝ่ายบิดาใหม่ก็ยืนยันว่าเป็นของตนจะไม่ยอมให้ อยู่เมืองสาวัตถีในที่สุดเรื่องก็ถึงตุลาการหลังจากพิจารณาสอบสวนอยู่เป็นเวลานานตุลาการก็ตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในเด็กน้อยร่วมกันและให้เด็กน้อยอยู่กับมารดาเดิม6เดือนแล้วก็ไปอยู่กับมารดาใหม่6กเดือนผลัดเปลี่ยนวนเวียนกันอยู่เช่นนี้จนบัดนี้รัตนปาณีมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์เป็นสาวเต็มตัวแล้ว ได้ยังมีความงามเป็นยอดด้วยนะท่านสมณะพระเถระนั่งฟังคําบอกเล่าของชายแก่คล้ายคนที่กําลังเคลิ้มฝันแม้ชายแก่เล่าจบลงนานแล้วท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่านคงจะเชื่อข้าพเจ้าแล้วละสิท่านสมณะชายแก่พูดอย่างได้ทีตาจ้องดูอา ก, อ า, การอันแปลกประหลาดของพระเถระด้วยความสงสัยแล้วลีลวดียังจํา เลวะตะได้อยู่หรือเปล่าพระเถระถามขึ้นคล้ายคนละเมอจำได้สิท่านสมณะเธอร่ําร้องหาพระเรวตะอยู่ทุกวันทุกวันอยากจะพบหน้าพระเรวตะรบเล้าให้มารดาบิดาพาไปหาพระเรวตะแทบทุกวันฝ่ายบิดามารดาก็ผัดพ่เรื่อยๆมาจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกว่ามารดาบิดาทั้งเก่าและใหม่ต่างพยายามกีดกัน ไม่อยากให้เธอไปพบพระเลวตะเถระอีกพยายามทุกวิธีทางที่จะให้เธอลืมพระเลวตะเสียอ้างว่าพระเรวตะตายแล้วบ้างอ้างว่าพระเรวตะลาศิขาไปมีภรรยาแล้วบ้างแต่รัตนปานีไม่ยอมเชื่อท่าเดียวมาดาบิดาฝ่ายพราณศีพยายามจะหาชายหนุ่มรูปงามมาล่ใจเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่อะไรใจดีกับใครเลยเมื่อเธอมีจิตใจผูกพัน นักแน่งอยู่กับพระเลวตะถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถทําให้พระเรวตะลาสิกาได้อย่างแน่นอนเมื่อพระเรวตะลาสิกาแล้วพวกเราเหล่านิครนก็จะหมดศัตรูคู่แข่งคนสําคัญกําลังของฝ่ายพุทธบริษัทก็จะอ่อนลงแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถกําจัดพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากมรดกได้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองตามเดิม เมื่อได้ฟังแผนการโดยละเอียดของฝ่ายศัตรูผู้มุ่งล้ายต่อพระพุทธศาสนาแล้วพระเถระก็ถอนหายใจอย่างหนักห น, น่วงบัดนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาอันหนักหน่วงที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ท่านไม่คิดไม่ฝันกำลังจะเกิดขึ้นศัตรูของพระพุทธศาสนากำลังใช้สตรีผู้ที่ท่านรักมาตั้งสองชาติเป็นเครื่องมือทำลายตัวท่านเองและพระศาสนา เวลานี ía, ía, ้ร <int ro> <when cus> ัตนปานีอยู่ที่ไหนหรือท่านถามชายชราด้วยเสียงอ่อนๆก็อยู่นี่เองอยู่ในกองเกวียนของเราเมื่อได้ทราบว่าขณะนี้ต้นอยู่ห่างจากลีลาวดีแค่มือเอื้อมพระเถระ รู้สึกใจเต้นผิดปกติในที่สุดลีลาวดีที่ตายจากไปแล้วเป็นเวลาเกือบ20ปีก็เดินทางมาหาท่านเองโดยไม่ได้คาดฝันมันช่างเป็นเหตุการณ์ประหลาดเหลือเชื่ออะไรเช่นนั้นถ้าหากเรื่องนี้ถูกเล่าโดยบุคคลที่รู้จักกับท่านเป็นอย่างดีมีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านโดยตรงท่านก็จะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดแต่นี่เป็นเรื่องที่เล่าโดยบุคคลแปลกหน้า ซึ่งท่านก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนและเป็นการเล่าด้วยความสมัครใจโดยที่ท่านไม่ได้ขอร้องด้วยจึงอาจเชื่อถือได้ว่าเป็นความจริงถ้าได้พบลีลาวดีเธอจะต้องจำท่านได้เธอจะต้องดีใจอย่างสุดขีดเธอจะต้องขอร้องให้ท่านอยู่กับเธอตลอดไปไม่ต้องระหกระเหินพัดพลากดังชาิก่อนฝ่ายพระเถระเองเล่าเมื่อทราบว่ารัตนาปานี เป็นลีลาวดีกลับชาติมาเกิดจริงจิตใจของท่านก็จะต้องหวั่นไหวท่านจะต้องสงสารเห็นใจลีลาวดีซึ่งรักบูชาท่านอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะตายไปแล้วพลังแห่งความรักอมตะของเธ อ, อยังบังคับให้เธอมาเกิดเพื่อพบกับคนรักอีกจนได้ความรักความสงสารเห็นใจอาจจะทาให้ท่านต้องลาสิขาไปครองชีวิตกับลีลาวดีถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็หมายความว่าฝ่ายนิครนผู้มุ่งร้ายต่อพระศาสนาเป็นผู้ชนะอย่างง่ายดายพุทธบริษัทแห่งนครลา จ, จิครจะขาดดวงประทีพผู้นำพระพุทธศาสนาเดือดถีนิครนก็จะกำเริบย่ำยีพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับเป็นอันว่าสงครามในอกได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หว่งความรักดิลวดีกับความรักพระพุทธศาสนาระหว่างคนคนเดียวกับคนหมู่มากอุบาสกพระเถระหันหน้ามาพูดกับชายชาราเพื่อมิให้ความเงียบงันของท่านก่อความสงสัยให้เกิดแก่ชายชาราเป็นอันว่าเวลานี้ท่านกําลังนํำรัตนาปาณีไปยังกรุงราชกุลเพื่อให้พบกับพระเลวะตะด้วยหวังว่าเธอจะสามารถ ทำให้ท่านลาสิขาได้ใช่ไหมถูกแล้วท่านสมณะชายชราตอบอย่างมั่นใจรู้สึกว่าท่านจะจงรักภักดีต่อคณะของท่านและทำงานเพื่อคณะของท่านอย่างเข้มแข็งมากพระเทระกล่าวปารบขึ้นเป็นการชมเชยอ๋อแน่นอนท่านสมณะชายชราตอบยิ้มด้วยความภาคภูมิใจตราบใดที่พระพิษุรูปนั้น ยังอยู่ในพระนรครราชกฤตตราบนั้นบรรดานิครทั้งหลายก็จะนอนตาไม่หลับเมื่อมีทางใดที่ข้าพเจ้าพอจะทํางานเพื่อหมู่คณะได้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทําทันทีท่านจะทําอย่างไรดื้จึงจะสามารถนํารัตนาปาณีไปสู่กรุงราชกฤตได้ท่านเจรจากลับมารดาบิดาของเธอไว้อย่างไรไม่เป็นการยากเลยท่านสมณนะ เพราะข้าพเจ้าเป็นญาติของรัตนปาณีด้วยเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนด้วยข้าพเจ้าเคยนำผ้าไหมอันมีชื่อของเมืองพาราณสีไปขายทางแคว้นมคตเป็นครั้งคราวอยู่แล้วรัตนปานีเองก็เคยลบเล้าให้ข้าพเจ้าพาเธอไปยังกลุ่มนาจักรืเสมอเมื่อยังไม่ได้รับข่าวความเก่งกล้าสามารถของพระเลวะตะข้าพเจ้าก็เฉยๆไว้ก่อน ต่อเมื่อมีนิครนไปเล่าเรื่องความพ่ายแพ้ให้ฟังและได้ทราบแน่ชัดว่าพระเรวัตะองค์นั้นเป็นองค์เดียวกันกันกบคนรักของรัตนปาณีข้าพเจ้าจึงไปรับอาสามาดาบิดาของเธอจะนําเธอไปยังกรุงราชกฤชด้วยกองเกวียนขนาดใหญ่มาดาบิดาของเธอไว้วางใจข้าพเจ้าอยู่แล้วจึงอนุญาตให้เธอไปกับข้าพเจ้าแต่โดยดีในไม่ช้านี้แหละท่านสมณะเอ๋ยเราจะเห็นดีกันว่า ฝ่ายนิครนจะเป็นผู้พ่ายแพ้หรือฝ่ายท่านจะเป็นผู้แพ้รู้สึกว่าท่านมีความมั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะพระเถระกล่าวไม่มั่นใจได้หรือท่านสมณนะก็ในเมื่อรัตนาปาณีเองก็ให้คํารับรองแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าเธอจะไม่ยอมพัดพลากจากพระเรวตะอีกเป็นอันขาดเธอจะขออยู่กับเขาตลอดไปถ้าจะตายก็ขอให้ตายภายในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินถึงความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของลีลาวดีเช่นนั้นพระเถระก็ยิ่งคิดหนักขึ้นถ้าลีลาวดีรู้ว่าตัวกำลังถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือทำลายพระพุทธศาสนาเธอจะรู้สึกอย่างไรหนอแต่บางทีเธออาจจะไม่คิดถึงพระศาสนาก็ได้เพราะในชาติใหม่นี้เธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้จักผิดชอบต่อสิ่งใดถ้าสมมติว่าเมื่อไปถึงกรุงราชคลึ้แล้ว ท่านไม่ได้พบพระเรวตะท่านจะทําอย่างไรพระเถระถามขึ้นข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องพบท่านสมณะเพราะข้าพเจ้าได้ทราบว่าพระเรวะตะอยู่ประจําที่พระเวรุวรรารามมิได้หนีไปไหนแต่นั่นเป็นข่าวที่ได้ยินได้ฟังมานานแล้วบัดนี้สิน้นฤดูฝนแล้วตามปกติพระภิสุในพระพุทธศาสนาย่อมเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆกว่าจะกลับมาพักอยู่ประจําที่อีก ก็ต่อเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งก็อ น, อนั่นนะซีท่านสมณะชายชราคลอยตามอย่างลังเลใจข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่ใจนักท่านทราบบ้างหรือไม่ว่าพระเรวตะยังอยู่ที่พระเวรุอนารามหรือไปที่ไหนแล้วอัตมาได้ทราบมาว่าพระเรวตะเถระได้ออกเดินทางจากกรุงพระนสีคำบอกเล่าของพระเถระทําให้ชายชราหันไปมองดู หน้าชายหนุ่มอย่างงงงงอีกครู่หนึ่งชายหนุ่มได้ก้มลงพูดกระซิบที่หูของชายชราเบาๆจนพระเถระไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันบ้างหลังจากนั้นชายชราก็ได้หันมามองดูพระเถระอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านสมณะท่านมีเจตนาจะไม่ให้เราไปยังกงจจรุงราชคฤห์เพราะเกรงว่าเราจะไปทาลาย พระฤหัตของท่านใช่ไหมจึงบอกว่าพระเหวตะได้จากกรุงราชคลึไปแล้วอุบาสกพระพิสุในพระพุทธศาสนาย่อมพูดความจริงแม้ต่อศัตรูผู้มุ่งร้ายอัตมาได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าท่านไปถึงกรุงราชคลึแล้วไม่พบพระเหวตะกลับได้ข่าวว่า ท่านกำลังอยู่ที่กรุงมพลานาสีอย่ามาโทษอาตมาหาว่าไม่บอกกัแล้วกันในที่สุดชายชราและลูกน้องของเขาก็อำลากลับคืนสู่กองเกวียนในเมื่อความมืดสลัวคลืบกคลานเข้ามาเมื่ออยู่ในความสงบ ค, คนเดียวอีกครั้งหนึ่งพระเถระก็หวนคิดถึงปัญหาเรื่องลีลาวดีอีกครั้งหนึ่งพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าจะจัดการอย่างไรดีเมื่อหวนึกถึงประโยชน์ของพระพุทธศาสนา ละพุทธบริษัทท่านก็อยากจะรีบออกเดินทางจากกองเกวียนของลีลาวดีไปเสียในคืนวันนั้นเพราะถ้าขืนอยู่ที่นั่นท่านจะต้องพบกับลีลาวดีเมื่อได้เห็นน้ําตาของเธอได้ฟังคําวิงวอนของเธอท่านอาจจะใจอ่อนยอมผ่อนปรนตามคําขอร้องของเธอยอมเป็นทาสของความรักอย่างราบคาบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับ ท่านยื่นชัยชนะให้แก่ศัตรูของพระศาสนาอย่างง่ายดายและยื่นความพ่ายแพ้ให้แก่พุทธบริษัทซึ่งท่านได้ช่วยต่อสู้ป้องกันมาแล้วสุดความสามารถขณะที่ท่านกำลังตัดสินใจจะหนีอยู่นั่นเองความอาลัยอวอนนร์ในลีลาวดีก็เกิดขึ้นลีลาวดีกลับมาเกิดใหม่ด้วยพลังแห่งความรักอันสูงส่งก็เพื่อจะได้พบกับท่านอีกและด้วยความหวังว่าความรักของเธอในชาติใหม่ นี้คงจะราบรื่นเธอได้เสียสละบ้านเกิดเมืองนอนเดินทางมาก็เพื่อจะพบกับคนที่เธอรักและบูชาส่วนตัวท่านเองเล่าก็อุตสาห์จากเมืองราชฤกษ์เดินทางรอนแรงไปสู่กรุงพารณาณสีด้วยความยากลําบากแสนสาหัสนี้ก็เพื่อจะพบกับลีลาวดีครั้นเมื่อกําลังเผชิญหน้ากับเธออยู่แล้วกลับจะสลัดเธอทิ้งห น, นีไปเสียเช่นนี้จะเป็นการสมควรแล้วลือ คิดอยู่จนดึกดื่นพระเถระก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลงไปด้วยความเสียใจและเสียดายยิ่งว่าจะไม่ยอมแพ้แก่ศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้ลีโลวดีเห็นหน้าเพราะลีโลวดีกําลังถูกศัตรูของพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องมือการตัดสินใจเข้าข้างเธอก็เท่ากับเข้าข้างศัตรูท่านจะยอมให้พุทธบริษัทต้องเสียใจเพราะการกระทําของท่าน ท่านจะไม่ยอมให้พวกดิลทีนิครนดูหมิ่นเย็ดยามได้ว่าในที่สุดสาวกผู้เปลืองปลาดของพระสมณะโคดมก็ต้องสีโรราบให้แก่สตรีเพศตลอดคืนวันนั้นพระเถระนอนไม่หลับเลยแม้จะตัดสินใจไปแล้วแต่ความสงสารในดีลาวดีก็ยังติดตามมารบกวนจิตใจยอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งพระเถระเกือบจะล้มเลิกการตัดสินใจเดิมเสีย ฝ่ายลีลาวดีก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกับกระแสจิตของทั้งสองคนจะกระทบกันคืนนั้นทั้งคืนเธอก็นอนไม่หลับพลุดลุกพลุดนั่งด้วยจิตใจที่สับสนวุ่นวายความคิดเกี่ยวกับพระเลรุตตะวิ่งวุ่นไปมาอยู่ในจิตใจบางครั้งหูของเธอก็แว่วได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อเธอทําให้เธอพลุดลุกขึ้นและนั่งมองไปรอบๆตัวเมื่อไม่พบอะไรก็นอนลงไปใหม่ บางขณะเธอก็เคลิ้มหลับแต่แล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายการดำเนินไปเช่นนี้จนถึงวันใหม่้ายกับว่าเทวดาผู้สงสารเห็นใจริดวดีจะโดนบันดาลให้เปลี่ยนไปปรากฏว่าในตอนก่อนรุ่งสว่างพระเถระได้เกิดนอนหลับอย่างสนิทเพราะความอ่อนเพลียอันเนื่องมาจากการไม่ได้นอนหลับตลอดคืนเมื่อท่านตื่นอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นเวลาสว่างเต็มที่แล้วเป็นอันว่าความตั้งใจของท่านที่จะลบหนีไปเสกกรสว่างไม่สำเร็จพระเทระรีบลุกขึ้นเก็บบริขารแล้วก็รีบออกเดินทางต่อไปฝ่ายลีลาว ด, วดีเนื่องจากนอนไม่หลับมาเลยตลอดคืน เธอจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากเกวียนไปเดินเล่นในทุ่งนาบริเวณใกล้ๆกับกองเกวียนเก็บดอกหญ้าเล่นบ้างเก็บเศษกิ่งไม้มาทําฟืนบ้างขณะที่เธอกําลังเล่นเพลินอยู่นั้นเธอก็เหลือบไปเห็นพระภิษุกรูปหนึ่งกําลังเดินมุ่งหน้ามาทางเธออย่างรีบร้อนเธอหยุดชะงักเพ่งสายตาจ้องดูพิกษุรูปนั้นด้วยความสนใจยิ่งมีอะไรหลายอย่างในพระภิกษุรูปนั้น ที่ทำให้เธอเกิดความสนใจเป็นพิเศษพระภิกษุรูปนั้นเดินดุ่มๆ ม, มาโดยไม่เงยหน้ามองดูใครจนถึงระยะห่างจากตัวเธอประมาณสิบวาจึงได้หยุดชะงักเพราะเหลือบมาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าทั้งสองคนยืนแน่นิ่งจ้องดูกันและกันอยู่ประดุษรูปปั้นรัตนาปาณียกมือขึ้นขยี่้ในตาด้วยความสงสัยลังเลจ้องดูพระเถระด้วยดวงตาอันเบิกกว้าง เป็นไปได้หรือที่เธอจะได้พบกับคนรักของเธอในที่เช่นนี้ในอย่างเช่นนี้ในอาการเช่นนี้เธอไม่ได้ฝันไปดอกลึกฝ่ายพระเทระก็ตกตื่นงง ง, งนันยืนแน่นิ่งอยู่กับที่เพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นช่างมีลักษณะคล้ายคลึงกับลีลาวดีซึ่งได้ตายไปแล้วเป็นเวลาตั้ง16ปีนี่กระมังคือรัตนปาณีลีลาวดีผู้กลับชาติมาเกิด คนทั้งสองยืนจ้องดูกันอยู่เป็นเวลานานรัตนาปาณีจึงมั่นใจว่าพระพิสุรูปนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเครวัตตะคนที่เธอรักและบูชาและกำลังจะเดินทางไปพบแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลาถึง1 5 1หปีและพระเรวัตตะมีอายุ40ปีเศษแล้วแต่ท่านก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยยังดูหนุ่มแน่นและแข็งแรงสมบูรณ์ เช่นเดียวกับเมื่อเธอได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจในชาติก่อนความดีใจความตื่นเต้นที่ได้พบกับคนรักโดยไม่ได้คาดฝันทำให้เธอลืมสิ่งใดหมดในโลกเธอค่อยๆเดินทื่อเข้าไปหาพระเถระอย่างช้าๆแต่มั่นคงคล้ายๆกับว่าการก้าวเดินของเธอเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเรวตะเรวตะชื่อนี้รุดออกมาจากปากของเธอเอง โดยไม่ได้ดังใจฝ่ายพระเทระเองก็ยืนตัวแข็งอยู่กับที่คล้ายต้องมนต์สะกดแม้ว่าหน้าตาของลีลาวดีในชาติใหม่จะไม่เหมือนกับลีลาวดีในชาติก่อนแต่พลังจิตใจและพลังความรักอันเป็นอมตะของลีลาวดีคนเดิมก็ฉายแสงออกมาคลุมรูปร่างหน้าตาของเธอจนทาให้ท่านทราบชัดว่านี่คือลีลาวดีอย่างแน่นอน เมื่อเดินมาถึงพระเถระยึงสาวได้สุดตัวลงแทบเท้าของพระเถระน้ำตาแห่งความปรับปลื้มปิติอย่างล้นพน้นก็ได้เอ่อออกมาจนเต็มเบ้าตาของเธอเรวตะเธออูทานออกมาอีกครั้งหนึ่งและก็ถึงอาการหมดสติอยู่แทบเท้าของพระเถระนั่นเองพระเรวตะยังคงยืนนิ่งตาทั้งสองมองไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายความคิดสับสนวุ่นวาย จนอธิบายไม่ถูกความดีใจและความงงงันต่อเหตุการณ์เกือบจะทำให้ท่านเป็นลมลมพับไปเช่นเดียวกับรัตนาปาณีแต่อาศัยที่ได้อบหลมจิตใจมาเป็นเวลานานจึงพอระงับยับยั้งใจประคองสติไว้ได้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นความคิดเดิมก็เกิดขึ้นอีกมันเป็นความคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหมู่คณะกับความรักความสงสาร ในรัตนปาณีหรือลีลาวดีนั่นเองเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าจะรีบหนีไปเสียจากกองเกวียนและจะไม่ยอมพบลีลาวดีทั้งนี้ก็เพื่อปิดทางของศัตรูที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทแต่อาจจะเป็นเพราะแรงบุญแรงกรรมของลีลาวดีทำให้ท่านหนีไม่พ้นต้องได้ไเผชิญหน้ากับลีลาวดีเข้าจนได้ ในภาวะอันคับขันยิ่งดวดเช่นนั้นท่านจะทําอย่างไรดีหลังจากคิดอยู่ด้วยจิตใจอันสับสนวุ่นวายพระเถระก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่พ่ายแพ้แก่ศัตรูครู่ใหญ่ผ่านไปลีลาวดีก็ฟื้นจากวิสัญญีภาพเธอก็อ่อนวอน ให้พระเรวัตต์อยู่กับเธออย่าได้จากเธอไปอีกพระเรวัตยังคงยืนนิ่งเป็นรูปปั้นตาจ้องมองไปข้างหน้าเขม็งแม้กายของท่านจะอยู่ในอาการสงบแต่จิตใจของท่านสับสนวุ่นวายด้วยความคิดร้อยแปพันประการในขณะนั้นเสียงของลีเลาดีก็พูดขึ้นว่าเป็นเวลานานเกือบ20ปีทีเดียวที่เราต้องพัดพรากจากกันแต่ดูหลวงพี่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักหลวงพี่ยังดูเป็นเรวัตะคนเก่าของลีลาวดีทุกประการเพราะเห็นครั้งแรกลีลาวดีก็จําได้ทันทีลีลาวดีดีใจเหลือเกินพระเถระอุทานอยู่ในใจว่าความรักหนอความรักเจ้าช่างมีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถจะทําลายเจ้าลงได้ลีลาวดีพูดขึ้น เมื่อเห็นพระเถระยืนนิ่งหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้ดอกหรือลีลาวดีลูกสาวของสุมังคระครืหบดีแห่งกรุงสาวัตถีลีลาวดีผู้รักบูชาท่านยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดีได้สละแม้ญาติพี่น้องและเคหสถานออกตระเวนหาหลวงพี่จนไปพบเข้าที่พระเวรุวนารามอย่างไรเล่าเมื่อมาถึงตอนนี้เธอหยุดชะ ง, งักไปครู่หนึ่ง คล้ากับคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วกล่าวต่อไปว่าจริงสินะลีลาวดีตายแล้วเกิดใหม่กับมารดาบิดาใหม่หน้าตาของลีลาวดีคงจะเปลี่ยนแปลงไปหลวงพี่คงจะจําลีลาวดีไม่ได้แม้หน้าตาลีลาวดีจะเป็นคนอื่นจิตใจของลีลาวดียังเป็นดวงเดิมจิตใจเดิมที่เต็มไปด้วยความรักบูชาในหลวงพี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงหลวงพี่จะได้สงสัยเลย ขาะที่พระเถระกำลังยืนแน่นิ่งอยู่นั่นเองชายชราหัวหน้ากองเกวียนพร้อมด้วยลูกน้องสามสี่คนซึ่งได้เห็นเหตุหการณ์อันแปลกประหลาดและยืนดูอยู่ด้วยความประหลาดใจเป็นเวลานานจึงวิ่งมาถึงนี่เกิดเหตุอะไรกันขึ้นหรือท่านสมณะรัตนปาณีชายแก่ถามขึ้นด้วยความงุงนงันพลางเข้าไปจับดึงให้ยืนขึ้นคุณลุงขารัตนปาณี หันไปพูดกับชายแก่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงราชฤท์ต่อไปแล้วรัตนปานีได้พบกับคนที่รัตนปานีอยากจะพบแล้วชายชราและลูกน้องทั้งสี่คนต่างตกตะลึงพึงเพลิดมองดูพระเถระพลางดูรัตนปานีพลางเธอหมายความว่ายอย่างไรหรือชายชราถามอธิบายใหลุงฟังซิลุงงงไปหมดแล้วพระภิกษุที่ยืนอยู่ข้างหน้าเรานี้ ก็คือเรวตะคนรักของลิลาวดีพอได้ยินเท่านั้นชายทั้งห้าคนต่างจ้องมองไปที่พระเถระเป็นตาเดียวกันชายแก่ทำคิ้วขมวดด้วยความโหยงนสนเท่แล้วถามว่าเธอจำได้แน่หรือรัตนปาณีเธอจำไม่ผิดแน่หรือถ้าลิลาวดีจำคนรักของตนเองไม่ได้ก็คงไม่มีใครในโลกที่จะจำอะไรได้เธอยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยว แล้วทาท่าจะตรงเข้าไปหาพระเทระอีกชายชราต้องยึดแขนเอาไว้เมื่อแน่ใจแล้วว่าพระพิษุรูปนี้คือเรวตะเทระแน่ชายชราได้ส่งเสียงหัวเราะอย่างผู้มีชัยและพูดขึ้นว่า <c oughs> <c oughs> ท่านสมณะท่านเก่งมากท่านสามารถ ป, ปิดตัวท่านเองไว้อย่างแนบเนียนปล่อยให้ข้าพเจ้านินทาท่านต่อหน้าท่านเองอย่างหมดไส้หมดพุงท่านสมณะ ในที่สุดท่านก็เดินทางเข้ามาสู่อุ้งมือของเราเองโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงราชครึ่พระเถระไม่สามารถจะทนฟังคำเย้ยหยันถากถางของศัตรูได้ท่านจึงรีบก้าวเท้าออกเดินทันทีลิลวดีไม่ยอมให้พระเลวะตะจากไปเธอร้องไห้ลํำพันด้วยใบหน้าอันหม่นหมองพระเถระหยุดยืนชะงักแน่นิ่งอยู่กับที่ตามเดิม ลีลาวดีพูดต่อไปด้วยเสียงอันสั่นพร่าว่าถ้าหลวงพี่ยังไม่เชื่อลีลาวดีลีลาวดีจะพาหลวงพี่ไปพิสูจน์ความจริงที่กรุงพาราณสีที่กรุงสาวัตถีที่ราชกฤตและทุกหุนทุกแห่งซึ่งมีพยานหลักฐานรองรับว่าเราจะเดินทางไปสาวัตถีด้วยกันไปให้คุณแม่ในชาติก่อนของลีลาวดีอธิบายให้ฟังหลวงพี่จะต้องเชื่อลีลาวดีแน่ๆขอนิมนต์หลวงพี่ นั่งลงก่อนเถิดเราจะได้สนทนากันถึงความหลังในชาติก่อนลีเราดีจะจัดพัตนาหารถวายท่านสมณะชายชาลาในกองเกวียนกล่าวขึ้นท่านยืนอยู่ที่นี่นานมากแล้วคงจะเหน็ดเหนื่อยขอเชิญท่านกลับไปพักพ่อนที่เกวียนของเราก่อนเถิดเราจะได้จัดพัตนาหารอันมีรถเลิต่ต่างๆถวายเราจะจัดการต้อนรับท่านอย่างดีที่สุดพระเฤาตะไม่ฟังเสียง ทำท่าจะออกเดินทางต่อไปอีกเด็กสาวผู้น่าสงสารได้โผลเข้าไปกอดเท้าของท่านไว้แล้วก็ร้องไห้บรรยากาศอันหนักอึ้งเช่นนั้นดำเนินไปครู่ใหญ่พระเถระจึงรวบรวมสติกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกว่ากุมาลิกาเอ๋ยเธอเชื่อแน่แล้วหรือว่าพระภิกษุที่เธอกำลังจับตัวไว้และสนทนาอยู่ด้วยนี้เป็นคนรักของเธอลีลวดีเงยหน้า มองดูพระเรวตะด้วยดวงตาระห้อยเธอคลายมือจากพระเถระยืนขึ้นแล้วก็เพ่งพิษดูพระเถระอย่างละเอียดทีท้วนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเธอก็ยืนยันออกมาด้วยความมั่นใจว่าลีลาวดีอาจจะจำคนอื่นผิดอาจจะจำสิ่งอื่นผิดแต่สำหรับคนรักของลีลาวดีแล้วลีลาวดีไม่มีวันที่จะจำผิดเด็ดขาดถ้ามนุษย์ในที่นี้ไม่สามารถจะเป็นพยานแก่ลีลาวดีได้ เทพเจ้าเหล่าเทพยดาทุกองค์ก็คงยินดีเป็นพยานให้แก่ลีเลวดีแม้ว่าเราจะจากกันไปเป็นเวลาตั้ง1ิบหหปีแต่ภาพของหลวงพี่ยังสถิตยอยู่คู่ใจของลีเลวดีอย่างจาแจ้งตลอดเวลาลีเลวดีจําไม่ผิดหรอกไม่เฉพาะรูปร่างของหลวงพี่เท่านั้นดอกที่ยังคงเดิมแม้แต่สุ้มเสียงของหลวงพี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยกุมาลิกาเอ้ย พระเถระกล่าวพางถอนให้ใจอย่างหนักหน่วงการเห็นคนแปลกหน้าเพียงชั่วครู่แล้วก็ทึกทักเอาว่าเป็นคู่รักของตนออกจะเป็นการกระทำที่วู่วามเกินไปพระพิษุในพระพุทธศาสนาที่ชื่อเรวตะมีเป็นจำนวนมากและที่มีรูปร่างหน้าตาและสุ่มเสียงคล้ายๆกันก็มีมากเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่านี่คือเรวตะคู่รักของเธอ หลวงพี่ไม่ยอมเชื่อดีลาวดีหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงเศร้าน้ำตาไหลพรากออกมาอีกท่านสมณะชายแก่พูดขึ้นบ้างท่านพูดถูกที่ว่าการตัดสินใจของรัตนาปาณีอาจจะผิดพลาดการสนทนากันนานๆเท่านั้นอาจจะทําให้ท่านเชื่อเธอขอนิมนต์ท่านไปรับพัฒนาหารพักผ่อนให้สบายที่กองเปวียนของเราก่อนเถิดเราจะได้สนทนาไต่ถาม สอบสวนกันให้แจมแจ้งทองแท้ขอบคุณท่านอุบาสกขอเชิญท่านพาหลานสาวกลับไปก่อนเทิดอาตมาจะเดินทางต่อไปอแม้พระเรวตะจะสงสารรีเราดีอยู่มากแต่ท่านก็ต้องตัดใจ เพราะเห็นคุณค่าของการประพฤติพรหมจรรย์ทำประโยชน์ช่วยงานาศาสนายังมีผู้คนจำนวนมากต้องการท่านเป็นร่มโพร่มใสให้กับเขาท่านจึงต้องตัดความรักแคบๆออกแต่ลิลาวดียังทำใจไม่ได้แม้เกิดชาติใหม่ก็ยังจำความรักเก่าได้ไม่ลืมความรักของเธอมั่นคงดุดคุณเขาแม้ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายลงได้ชายทั้งห้าคน ยืนดูเหตุการณ์อยู่ต่่งเบื่อนหน้านี้จากภาพอันสะเทือนใจนั้นแต่เมื่อมองไม่เห็นชายแก่พระเถระก็ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไม่ยอมแพ้กุมารีกาเอ้ยพระเถระกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือให้อัตมาไปเถิดขอให้อัตมาได้เดินทางไปด้วยความสงบสุขเถิดอัตมาเชื่อว่าในไม่ช้าเธอจะต้องได้พบกับพระลิวตะตัวจริง ที่เป็นคนรักของเธออย่างแน่นอนอัตมาให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ลีลาวดียืนจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแข็งกร้าวเป็นครั้งแรกในที่สุดหลวงพี่ก็ไม่ยอมรับตนเองว่าเป็นเรวัตะของลีลาวดีหลวงพี่ลืมลีลาวดีเสียแล้วเสียแ่งที่ลีลาวดีอุสาหกลับมาเกิดอุสาหจงรักพักดีที่สุดหัวใจอุสาด้นด้านเดินทางมาพบ ท่นพบแล้วหลวงพี่กลับทําเป็นจําไม่ได้ในที่สุดความรักอันแสนเจริสุดของลีเลวดีก็ได้รับสิ่งตอบแทนคือการปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยเช่นเดียวกับชาติก่อนกรรมของลีเลวดียังไม่หมดสิ้นลึกเมื่อไหร่หนอเราจะสิ้นกรรมสิ้นเวรเมื่อไหร่หนอเราจะเข้ากันอย่างถูกต้องเสียทีเสียงของลีเลวดีเบาลงเบาลงจนฟังไม่ได้สับ พร้อมๆกันนั้นร่างของเธอก็ทรุดลงไปกองอยู่กับพื้นลุงของเธอและลูกน้องต่างวิ่งเข้าไปประคองและประครบประงมเมืเ่อลีลาวดีฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ไม่พบเลวตะคนรักของเธอเสียแล้วเรวตะหายไปไหนเลวตะไปไหน เธอถามอย่างร้อนรนโน่นเขาเดินไปโน่นแล้วลุมข้างเธอตอบพลางชี้มือไปอยังพระเถระซึ่งกำลังเดินจากไปอย่างเร่งรีบลีลาวดีผู้น่าสงสารรีบลุกขึ้นยืนมองตามหลังพระเถระไปด้วยน้ำตาหองหน้าเธอร้องขึ้นสุดเสียงแล้วก็ออกวิ่งตามพระเถระไปพลางส่งเสียงร้องเรวัตตาบ้างหลวงพี่บ้างสลับกันไป แต่วิ่งไปได้ครู่หนึ่งความระทมทุกข์ความสิ้นหวังก็ทำให้เธอหมดแรงเมื่อสะดุดก้อนหินเบาๆเธอก็ล้มฟุบลงและถึงแก่วิสัญยีภาพไปอีกครั้งหนึ่งชายชราผู้เป็นลุงและลูกน้องซึ่งยืนตรลึงต่อเหตุการณ์อยู่เป็นเวลานานได้รีบวิ่งไปประคบประงมประคองร่างอันหมดสติของหลานสาว กลับคืนสู่กองเกวียนครู่ใหญ่ผ่านไปเธอจึงฟื้นขึ้นคำแรกที่หลุดออกมาจากปากของเธออย่างแผ่วเบาก็คือเรวตะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งจากดีโลดีไป Thank <laughs> you.